เก้าส <93. S 3> ิบสามตัวนูที่มรอนุประโยคใช้เชื่อม subordinate clause เย็นรฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ อว ன ் எ ன ் ன ை க ่าเดลิ க ิรานาแยงเรือเ่อย க ันักกุตติรียาฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ அவன் திரும்பி வ ர ு வ ா ன ாแยงเรืรเร่อยยันักกุตติรียฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ அவன் எனக்கு ุฟอนเซวานานนாยงเรื่อยย க นักกุตติรียาด เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ เ, าาเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้เขาอาจจะไม่โทรนนออมาหาดิ ம ா ட ் ட ได้ ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหมดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่อเย็นในในจะมองเขา க ปพิดขี้ระด้อเย็นเรื่อยเย็นคือสันตอนฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่เขาไม่เย็นคือเยรด้วยวานาอิละยาเย็นบัดลเย็นคือสัตอนฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ อวันย ன นนั க ல ்ลா ண ம ்นெเสียดொ ள ்วา ன ா எ ன ்รு எ ன க น க กสันเே க ์ขันทัเขาจะชอบฉันจริงจังไหมอ வ ன น க ் க ு எ นน ன ைนิจ ம ாา வ หวி ட ிปิดขึ้นรเขาจะเขียนมาหาฉันไหมอ வ ன ் எ ன น் க ย எ ழ ด த ว வ านாเขาจะแต่งงานกับฉันไหม அவன் என்னை க ல ் ய ா ண ம ் செய்து கொள்வானா